ญาติโยมน้อยมันไม่ชอบคลุกคลีนะไม่ชอบคลุกคลีหมู่คณะมาักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวันๆนไม่ยุ่งกับใครแต่เมื่อก่อนมันงกนะอยู่สวนโพ ค, คนมาไม่มากญาติโยมมาเนี่ยมันจะคอยสำรวจว่าใครเอาอะไรมาแล้วค้ากลับมันไปดูอีกว่าเอาอะไรกลับ <c oughs> ถ้ามาหยิบสวยของวัดไปนะไม่ยอมเนี่ย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 พอเห็นอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งจิตนี้ไปก็รู้นะเนื้อธรรมะของหลวงพ่อก็หนีตามไปหมดแล้ว <laughs> ธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์นนะไม่ได้มีสคริปต์นะอยู่ที่คนฟังหรอกไปถึงไหนละชักหายแล้ว <laughs> อา้าวตรวจกันบ้านเลยไม่ถึงตอนต้นเลยเอา้อาวนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 รู้สึกไหมมันทํางานทางใจแล้วมันมีตัวเราขึ้นมานั่นเรียกว่าชาติแล้วก็ทุกข์อพอทุกข์แล้วทํำยังไงทุกข์แล้วเรารู้สึกคล่าครวญรู้สึกไหม <laughs> ใช่นี่ปฏิจจสมุปบาททั้งนั้นเลยนี่แหละอย่างนี้แหละดูไปอพอพอพอรู้สึกตัวเออไม่ใช่ตัวเรานะพอบีบคั้นพอความความทุกข์รุนแรงก็ดูไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็เบาแต่ น, นี้ก็พอพอเผอเป็นตัวเราเมื่อไรก็ทุกข์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 พระพ้าณาคารแล้วนี่ต่อได้แล้วธรรมะต่อติดแล้วใจมันจะตั้งมั่นนะเด่นดวงอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนเลยนาน้นานมันจะมองมองสักทีหนึ่งหลายๆวันจะมองมองนะแค่มองหน่อยหน่อยทำไมมองเพราะว่ามันสบายหลายๆวันเนี่ยนะใจมันชักเร่าร้อนนิ ด, น, ดนิดนะว่าเอ๊ขีเกียจไปมั้งยังไม่จบการปฏิบัติงานยังไม่เสร็จอย่างเงี้ย ใจมันเริ่มดิ้นรนว่าทํายังไงจะหลุดพ้นพอมันดิ้นขึ้นมานะั้มันหมองๆไปอีก <Okay. S 1> เสร็จแล้วพอเรามีสติรู้ทันนั้นสดใสขึ้มาอีกอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาน ะ, จะเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วจเจริญเนี่ย <Okay. S 1> จิตจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้เนเองเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วจเจริญวนไปวนมาเจ <Okay. S 1> ถึงจุดสุดขีดเลยปัญญามันแจ้งนะ้ตัวจิตนี้ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะ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 ถ้าแปลห ย, ยาบๆก็แปลว่า น, นิพพานถ้าอย่างละเอียดขึ้นมานินโรธไม่ใช่นิพพานทั้งหมดหรอก mm. นิโรธอันหนึ่งนั้นเป็นการข่มไว้ยังมีกิเลสอยู่แล้วข่มกิเลสกิเลสดับไป mm. นิพพานตัวนี้เรียกว่านิโรธตัวนี้เป็นความดับ mm. ดับข่มกิเลสลงไปแล้วกิเลสดับ mm. ด้วยสมถ mm. นะก็เป็นนิโรธชัน้นิดหนึ่งนะเรียกปิกขัมมะอะไรนะ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 จริงแล้วอยากให้หลวงพ่อทุบมากกว่านี้เจ้าค่ะเหลอเนี่ยใจถึงตอนนี้ประคองแล้ใช่เจ้าค่ะแต่ตอนที่ได้รับพระจากหลวงพ่อเป็นปลื้มมีความสุขก็เห็นนะคะแล้วมันก็พอมันเห็นแล้วมันก็หลงไปอีกแล้วเช้านี้ก็ฟังเทศหลวงพ่อไม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นจิตมันยิบยิบยิบตลอดนะคะไม่จําเป็นต้องฟังหลวงพ่อละถ้าหากเราสามารถเห็นสภาวะในขณะนี้นั้นดูสภาวะไปเลย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 ไปฟังธทมที่ถ้ำสุกราขาตาฟังพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหมจิรัตเราหักุมให้จีรัตนึกไม่ถึงส่ฝึกไปนะฝึกไปอย่าไปเพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งไม่เกิดปัญญานมรมกการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกไหมที่ลูกเขาให้มาใจเราไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่เหมือนเดิมเลยเจ้าคะ่ะนะีดีเมื่อวานนี้รู้สึกพอใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความสุขยังยังไม่ไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องวิชาการได้แต่ว่าตัวเองมีความรู้สึกว่ามีความสุขน้วพอพอขําเนี่ยก็กลับไปคิดถึงเรื่องเก่าที่ก่อนจะมาอีกก็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 ความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วความทุกข์ก็หายไปยมกลับบ้านไปดูอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆวิชาการไม่สําคัญนะสําคัญที่ว่าเราพ้นทุกข์ได้จริงๆ ค, ค่ะกลับขอบพระคุณจ้ะค่ะกลับนวัตสการหลวงพ่อครับคือใจตอนนี้ก็โม่ๆแล้วก็มีบางช่วงก็ไม่พอใจก็มีความโกรธขึ้นมา อ, มอยากอยากให้ดี เไมไม่พอใจก็รู้ไปนะเห็นไหมมันทำงานของมันเองดูไปอ่ะคนนี้กลุ่มจะแย่แล้วนวัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าโลง่งโลงกว่าเมื่อวานนะคะแต่พอเวลาไปรบกวนไมค์พอไมค์ม <laughs> มเข้ามาถึงมันก็เริ่มแบบ ต, ตื้อขึ้นมา อ, อีกครั้งห น, นึน่งค่ะ พ่อาขาขออนุญาตนะคะมนไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าเอาว่าไปว่าหมุนนี้มนไม่ค่อยได้ทําอะไรอะค่ะหลวงพ่อมนจะถามว่ามันยังอยู่ในร่องในรอยอยู่ใจมันอ่อนกําลังไปอ่อนเลยใชไ ม, ไม่มีแรงรู้สึกไหมนานๆไปมันใจะป้อแป้ป้อแป้นะถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยบรรลุมรผลไม่ได้นะเพราะไอ้เหลืองก็ไม่ทําอะไรเลยไ ม, ไม่บรรลุะ จงใจทําแล้วก็เค้นตัวเองบังคับตัวเองอย่าบรรลุไหมก็ไม่บรรลุเพราะพวกที่ทรมานตัวเองก็ไม่บรรลุหน้าที่เราก็สังเกตใจใจเราไม่มีแรงนะคุณมนก็ร้าความรู้สึกหน่อยคึกคักไว้คึกคักไว้คื อ, ค อ, คอทนะุนก่อนหน้านี้มนรู้สึกวนไปประคองไปเพ่งไปอะไรตลอดใช่ไหมคะนี่ตอนนี้<อ>ให้รู้ไปว่าใจมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยเนื่อยให้รู้ทันเป็นนะเป็นพราะขาดกาันการทำใช่ไหมใช่ขาดการทําในรูปแบบเปขอบคุณ ต้องทํานะการทําในรูปแบบจําเป็นมันว่าเป็นเพราะมันไม่ค่อยส่งกันบ้านเลยมันก็เลยเรนเหยื่อไปใช่ภาวนาเนี่ยนะถ้เอาเออเรเหยไปถ้าช่วยบางทีส่งบ่อยก็เกรงใจค่ะหลวงพ่อไม่ต้องส่งบ่อยสินะถึงขราวสมควรส่งก็ส่งบางคนไม่มีอะไรจะส่งก็อยากส่งอีกนะอย่างงั้นไม่ดีเดี๋ยนี้มันมาทิละวันเดียวเองค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าส่งเท่าไหร่ต่อไปเชิญหุ่นนั่นขยับมือ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 เหมือนกับคุยคุยอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับแล้วคุยกับมันมันแชทกระสาวเงี้ยครับแล้วแบบตอนคุยคุอยู่มันก็เลยอเพอไปแล้วอยู่สักพักนึงมันมันเหมือนมันเห็นภาพเหมือนเป็นภาพตัวเราอะครับมันขึ้นมาเหมือนกับเฮ้ยมันนี่นี่ือนี่คือภาพลักษณ์ของเรานะที่เราจะต้องแสดงออกให้เขาอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเห็นตัวตนของตัวเราแล้วเราเห็นเห็นรูปได้แล้วเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแล้วเราก็เห็นด้วยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะ เป็นสิ่งซึ่งจิตไปรู้เข้าแล้วแยกกันดีนะแชทกับสาวแล้วทำได้อย่างนี้มันเหมือนเป็นภาพลางๆขึ้นมาเป็นเป็นรูปขึ้นมา้เราสร้างขึ้นมาเราปรุงขึ้นมาอันนั้นทำไมเป็นภาพลางๆขึ้นในใจรู้หมอันนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งชื่อว่าวนะินยติรูปรูปชนิดนี้รู้ด้วยใจแต่ถ้ารูปอย่างมหาภูต ร, รูปชนิดเป็นธาตุดินอเงี้ยรู้ด้วยการสัมผัส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 ใจป้าแป้ดูออกไหมมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านด้วยเออฟุ้งซ่านก็รู้ไปนะรู้สึกไหมมันห่อเหี่ยวมันป้าแป้ใจฟุ้งซ่านแล้วไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมีโทสะด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวนั้นมีโทสะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับมันเห็นมันไม่ได้เห็นมานานรู้สึกไหมมีหมูกระดาษแล้วสร้างขึ้นมาแล้วเอาไหม่เอาใหม่ยังมีอยู่นะยังไม่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 ใจมันไม่ตั้งมั่นใจมอยู่นอกๆนะไปสังเกตตัวนี้ถ้าตรับใดที่ใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิดไ่ค่อยดูออกนะวัวไปวุ่นวายแล้วอึ่่ใจมันอยู่นอกๆคือความสนใจเราไปอยู่ข้างนอกนานใจเลยค้างอยู่ข้างนอกเลยไม่ยอมกลับบ้านก็แต่บางส่วนที่เริ่มเข้าใจมากขึ้นคือตอน ช่วงหลังก็ที่หลวงพ่อเคยพูดนานว่าประดัดธรรมะก็ไม่ได้เรื่องยากก็คือพอตอนนี้เข้าใจคือเป็นอะไรก็ได้มันก็เลยจะสบายขึ้นเยอะใช่อะไรก็ได้นะเพราะทุกอย่างสแสดงใจรักเท่าเท่ากันอคุณแต้มนี่มีโมหะค่ะหลวงพ่อสึกแม่มาไหมวันนี้ไม่ได้มาค่ะจิตมีโมหะรู้ทันจิตไม่ตั้งมั่นหรอกไหมค่ะใจ ต, ตอนนี้มันอยู่นอกๆรู้สึกไหม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 ม, มันมีชีวิตชีวามันเปลี่ยนชื่อนะรู้สึกเราเปลี่ยนใช่ไหมคนรอบๆข้างก็รู้สึกนะ <Okay. S 2> เราเปลี่ยนแล้วของคุณจิตมันเปลี่ยนแล้วที่คุณตื่นแล้วเ <Okay. S 2> มื่อมันตื่นแล้วหน้าที่ของเราก็คือรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าหวังผลนะรู้ <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆแต่ก็คอยสังเกตบางทีรู้ไปานานๆเนี่ยใจไม่ตั้งมั่นใจของคุณตอนนี้ตั้งมั่นดีนะ hmm. นะไม่ตั้งมั่นมันเหมือนโปรงๆสบายแล้วเพลินๆ อ, อยู่ข้างนอกๆ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 มีเสียงภาคอะค่ะมันมีบทภาค ม, มันเหมือนสคริปต์มันเหมือนคอยตามเขียนบทค อ, อยตามเขียนซับไตเติลตลอดเล ย, เเยหลวพ่อลืมดูนาฬิกานะเดี๋ยวเอาไม้วางไว้ที่เดิมน้านแล้วมาส่งต่ อ, อนะนิมนทรอาจารย์เนี่ย เ, เดี๋ยวพระอดข้าวลืมไปมันมืดไม่สว่างสักที